วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่แปดธันวาคมพุทธศักราช2562เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมา ฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาหาความรู้จากพระพุทธศาสนามาศึกษาดูว่าพระพุทธศาสนาทำอะไรให้กับเราได้บ้างถ้าเราได้ศึกษากันอย่างต่อเนื่อง เราก็จะรู้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นเหมือนกับบริษัทประกันบริษัทประกันขายประกันชนิดต่างๆเช่นมีประกันชีวิตมีประกันภัยประกันสังคมถ้าประกันภัยก็ประกันน้ำท่วมไฟไหม โจลกรรมแผ่นดินไว้หรือพายุเวลาเกิดภัยต่างๆบริษัทประกันก็จะชดใช้ค่าเสียหายให้รประกันสังคมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยบริษัทประกันก็จะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลให้รประกันชีวิต เวลาเสียชีวิตบริษัทประกันก็จะชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากการเสียชีวิตให้พระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนบอริษัทขายประกันมีขายประกันอยู่สองชนิดด้วยกันคือหนึ่งประกันภัยสองประกันชีวิต นี่คือสิ่งที่พุทธบอยสัตย์ผู้ที่มีความศรัทธามีความละเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจะได้รับการคุ้มครองถ้าซื้อประกันของพุทธศาสนาถ้าซื้อประกันภัยก็จะได้รับคุ้มครองเกี่ยวกับภัยต่างๆ ที่มาคุกคามจิตใจถ้าซื้อประกันชีวิตก็จะได้รับการคุ้มครองให้พ้นจากความตายไม่ต้องกลับมาตายกันอยู่เรื่อยๆอย่างที่สัตว์โลกทั้งหลายกำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้คือเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง พอเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เพื่อจะได้กลับมาตายใหม่ถ้าซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาจะไม่มีการกลับมาเกิดจะไม่มีการกลับมาตายอีกต่อไปนี่คือประกันสองชนิดด้วยกันที่เราจะมา เรียนรู้ว่าวิธีที่จะมะีได้ประกันสองชนิดนี้จะต้องทําอย่างไรบ้างประกันชนิดที่หนึ่งคือประกันภัยเราจะได้รับการคุ้มครองจากพระพุทธศาสนาได้อย่างไรจะคุ้มครองจากภัยชนิดไหนบ้างการ ประกันภัยของพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้ประกันภัยทางร่างกายทางร่างกายนี้ประกันไม่ได้ประกันไม่ให้ถูกภัยต่างๆมาคุกคามเช่นถูกน้าท่วมถูกไฟไหม้หรือถูกโจรกรรมมาทาลายทรัพย์สินทางร่างกาย สิ่งที่พุทธสิ่งที่พุทธศาสนาจะประกันให้นี่เป็นเรื่องของประกันทางจิตใจใจก็มีภัยมาคุกคามเหมือนกับร่างกายภัยที่มาคุกคามนี้ก็มีอยู่สีชนิดด้วยกันคือหนึ่งสัตว์เดรัจฉานสองเปรด สามอสุรกายสนรกนี่คือภัยที่จะมาคุกคามลูกลานลังความจิตใจถ้าซื้อถ้ามีประกันภัยของพระพุทธศาสนาภัยเหล่านี้จะไม่สามารถเข้ามาคุกคามจิตใจได้ วิธีที่จะทำให้มีปรการชนนี้ต้องทำอย่างไรก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงสอนคือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงเพราะบาปนี้เป็นผู้ที่เปิดประตูให้ภัยต่างๆเข้ามาคุกคามจิตใจนั่นเอง ถ้าไม่มีการกระทำบาปก็ <c oughs> จะไม่มีภัยต่างๆเข้ามาคุกคามจิตใจได้ดังนั้น ถ, ถ้าต้องการป้องกันจิตใจไม่ให้ถูกสัตว์เดรัจฉานถูกเปรต ถ, ถูกกสุลกายถูกนรกมาคุกคามจิตใจผู้ที่ต้องการความคุ้มครอง ก็จำเป็นจะต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงสอนไว้คือให้รา ก, การกขาทำบาปทั้งปวงบาปคืออะไรบาปก็คือการทำร้ายผู้อื่นทำร้ายทางร่างกายทำร้ายทางทรัพย์สินทำร้ายทางจิตใจ คือการกระทําที่ทําให้เกิดโทษกับผู้อื่นเรียกว่าเป็นการกระทําบาปบาปนี้ก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกันคือหนึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสองการลักทรัพย์สามการประพฤติผิดประเวณี สี่การพูดปดและห้าการดื่มสุรายาเมาความจริงการดื่มสุรายาเมานี้ไม่ได้เป็นบาปแต่เป็นอบายามุขที่จะเป็นเหตุที่จะพาให้ไปทำบาปต่อไปพระพุทธเจ้าเลยรวมกันไว้ใน ในกลุ่มของบาปซึ่งความจริงการจะไม่ทำบาปได้นี้ก็จะต้องไม่เสพอ บ, บายามุกเช่นสุรายามเมาเพราะว่าถ้าเสพสุรายามเมาแล้วก็จะเกิดการขาดสติไม่มีสติขอยยับยังความคิดความพูดความกระทำที่ไม่ดีนั่นเอง ถ้ามีสติเวลาเกิดความคิดอยากจะทำร้ายผู้อื่นเช่นอยากจะไปลักทรัพย์อยากจะประพฤติผิดประเวณีอยากจะโกหกหลอกลวงอยากจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้ามีสติก็จะพอยับยั้งไม่ให้ไปกระทำบาปเหล่านี้ได้พระพุทธจเจ้าเลยต้อง เอาเอาบายามุก ค, คือสุรายาเมาการดื่มสุรายาเมาเข้ามาไว้ในศีลห้าด้วยเพราะถ้าไม่มีสติแล้วการที่จะรักษาศีลก็จะเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยสังเกตดูว่าคนเวลามึนเมาแล้วนี้มักจะพูดมักจะทำอะไร ที่ทำให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้อื่นจะเสียหายมากหรือเสียหายน้อยเท่านั้นแต่ย่อมเกิดความเสียหายคนที่ไม่เมาคนที่เป็นคนที่ไม่ดื่มสุรามักจะไม่อยากจะเข้าใกล้คนที่ดื่มสุราไม่อยากจะเข้าใกล้คนที่มีอาการมึนเมาเพอมีแต่จะต้องขัดทุนนั่นเอง จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากคนที่เดินสซลาจนมึนเมาเช่นเมาแล้วขับเมาแล้วไปขับรถยนต์ก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดความเสียหายทางทรัพย์สินและชีวิตของผู้อื่นและของตนเองจึงนอกจากการไม่ทำบาปแล้ว ยังต้องไม่เสพอบายามุขด้วยอบายามุขนอกจากสุราก็ยังมีข้ออื่นอีกสี่ข้อด้วยกันคือไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวเตะไม่เกียดค้านและไม่คบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรเนยเพราะถ้าไปคบคนที่ชอบอบายามุข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 เขาก็จะชวนให้เราเกียรคิานด้วยดังนั้นถ้าเราครบกับคนแล้วถ้าเกิดเขาชวนให้เราไปเสพอบายามุกเราต้องปฏิเสธทันทีอย่าไปเกงใจอย่าไปเสียดายมิตรภาพถ้าเขาไม่ยินดีที่จะคบค้าสมาคมกับเราก็ ไม่เสียหายดีกว่าไปคบค้าสมาคมแล้วเดี๋ยวเราต้องเสียเนื้อเสียตัวเพราะอบายมุขนี้มีแต่เสียไม่มีได้เนี่ยมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับถึงแม้ว่าจะดูเหมือนว่ามีรายรับแต่ถ้ามองระยะยาวแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็น าลายรับปลอมเช่นเล่นการพนันเวลาเล่นการพนันบางครั้งเราอาจจะได้กำไรแต่พอเราได้กำไรแล้วเราก็อยากจะเล่นต่อพอเล่นต่อมันก็ต้องไม่ช้าก็เร็วก็ต้องขาดทุนพอขาดทุนก็อยากจะได้คืนก็เล่นต่ออีกในที่สุด ก็เล่นยาวพอเล่นยาวแล้วในมันก็จะมีแต่เสียพอเสียแล้วทีนี้ก็จะทําให้เกิดปัญหาคือเงินทองอาจจะไม่พอใช้ก็อาจจะต้องขายทรัพย์สินที่มีอยู่ขายทรัพย์สินไปหมดเดี๋ยวก็หมดหมดก็อาจจะต้องขายบ้านขายที่ดิน ต่อไปก็จะสิ้นเนื้อประดาตัวได้การเปรียบเทียบระหว่างาการสูญเสียจากการเล่นการพนันนีเ้เร็วล้ายยิ่งกว่าการถูกขโมยขึ้นบ้านขโมยขึ้นบ้านก็เอาได้เพียงแต่ทรัพย์สินแต่ยังเอาบ้านเอาที่ดินไปไม่ได้ไฟไหม้ก็ยังไม่ร้ายกาดเท่ากับ การเล่นการพนันหวยไม้ก็ไม่ได้แต่บ้านกับทรัพย์สินเข้าของที่มีอยู่ในบ้านแต่ที่ดินยังมีอยู่แต่ถ้าเล่นการพนันแล้วนี่จามเสียหมดเลยเสียทั้งทรัพย์สินเสียทั้งบ้านเสียทั้งที่ดินและอาจจะเสียชีวิตต่อไปก็ได้เพราะถ้า ไม่มีอะไรที่จะเอามาเล่นแล้วก็อาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากพวกที่เล่นการพนันด้วยกันที่เป็นพวกนักเลงพอไปยืมเงินเข้ามาเล่นแล้วพอขาดทุนไม่มีเงินคืนเขาเวลาเข้ามาทวงถ้าเขาไม่ได้เขาก็จะทําร้ายร่างกาย แต่ถ้าทวงบ่อยๆไม่ได้ก็อาจจ ะ, ะทำร้ายชีวิตเลยก็ได้เพราะจะได้ไม่เป็นตัวอย่างของผู้อื่นนี่คือภัยที่เกิดขึ้นจากการไปเล่นการพนันไม่ช้าก็เร็วเพราะไม่มีเงินมาเล่น ก็อาจจะต้องไปขโมยเงินของคนอื่นมาเล่นอยู่ดีๆถ้าไม่เล่นการพ น, นันก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปขโมยเงินของคนอื่นถึงแม้จะมีเงินไม่มากก็อย่างน้อยก็พอมีพอใช้แต่พอเล่นการพนันแล้วเงินนี่ไม่พอใช้เลวไม่พอใช้แล้วก็ไม่ทำงาน ก็อาจจะต้องไปขโมยไปโกหกหลอกลวงถ้าขโมยไม่ได้ก็อาจจะป้นป่นรัานขายทองป่นร้านอะไรค้าต้องมีการพกพาอาวุธถ้าเกิดมีการต่อสู้กันก็อาจจะมีการฆ่ากันตายได้นี่คือ การกระทำบาปมันอยู่ดีๆคนเราไม่ทำบาปหรอกมันต้องมีเหตุมายุยงให้ไปทำบาปเหตุที่ยุยงก็คืออบายามุขนี่เองนะนะเล่นการพนันพอไม่มีเงินก็ต้องไปรักทัพย์ไปโกหกหกลอกลวงไปป้นไปจี้ไปฆ่าฟันกันนะถ้าดื่มสุรายาเมา เวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีคิดทำร้ายผู้อื่นก็ยับยังไม่ได้การเที่ยวเต่ก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายพอเที่ยวมันก็จะติดแล้วจะมันจะขี้เกียจไม่อยากไปทำงานเที่ยวดีกว่าสนุกกว่าแต่ เงินไม่มีเงินมีแต่เสียไม่มีรายได้ถ้าเที่ยวบ่อยๆจนไม่ทำงานทำการต่อไปก็ไม่มีเงินจะใช้ก็ต้องไปทำบาปไปขโมยไปลักทรัพย์ไปโกหกหลอกลวงยืมเงินของผู้อื่นโดยที่รู้ว่าไม่มีวันที่จะคืนเขาแต่ก็อาศัย คดิตที่มีอยู่เก่าแต่ก็ยืมได้เพียงครั้งสองครั้งเท่านั้นแหละหลังจากนั้นเขาก็ไม่ให้ยืมอีกแล้วไม่เมื่อเมื่อยืมไม่ได้ก็ต้องไปรักทรัพย์รักทรัพย์ไม่ได้ก็ต้องไปต้นเหมือนกันเนี่ยนี่คืออบายามุกอบายามุกแปลว่าอะไรอบายก็คือเนี้ยที่ที่ไปเกิดของ สัตว์สี่ชนิดคือเดรัจฉานเปรตอสุลกายและนรกมุกก็คือทวานหรือประตูนั่นเองทางเข้าคนที่เสบบบายามุกก็คือกําลังไปยืนอยู่ทางเข้าคนเยที่อยู่หน้าประตูนี้มันเข้าง่ายกว่าคนที่อยู่ห่างไกลจากประตูถ้าไม่เสพบายามุกก็อาจจะอยู่คนแล้ว คิดคนละทางกับประตูเวลาจะไปเข้าอบายก็หาประตูไม่เจอแต่คนที่ไปสัญจร อ, อยู่แถวหน้าประตูนี่เดี๋ยวก็เดินเข้าหลงเข้าไปได้อย่างง่ายได้นี่คืออบายามุกย่าเสพอบายามุกและละการกระทำบาปทั้งปวง ถ้าไม่กระทำบาปแล้วรับรองได้ว่าเวลาที่ร่างกายตายไปจิตใจจะไม่มีอะไรมาฉุดลากให้ไปเกิดในอบายนะไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นอสุรกายไม่ต้องไปตกนรกนะถ้าอยากจะ เพ่ประกันให้มันมั่นคงยิ่งขึ้นนอกจากไม่ทำบาปแล้วก็ต้องทำบุญต่างๆสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมเอพราะบุญกุศลนี้จะแยกหรือดึงจิตใจเพื่อถ้ายังพลาดพั้งไปทำบาปบ้างถึงแม้ว่าจะมีความตั้งใจรักษาศีลละ เว้นอบายมุกแต่บางเวลาบางโอกาสอาจจะถูกเหตุการณ์บีบขั้นหรือถูกกิเลสคือความโลภความโกรธหรือความหลงมายุแย่หลอกให้ไปทำบาปได้ดังนั้นถ้าไม่มีอะไรมาคอยต้านก็อาจจะยังต้องไปอบายอยู่ ถึงแม้มีความตั้งใจที่จะไม่ทำบาปจะรักษาศีลห้าจะไม่เสพใบยมุกขก็ตามแต่ชีวิตบางครั้งมันเกิดมีเหตุการณ์มาบีบบังคับทำให้อาจจะต้องไปทำบาปก็ได้เช่นชีวิตตกต่ำทัท้ทงทงที่อุตส่าห์ทมาหากินโดย อาชีพที่สุดจริตแต่บางทีก็พลาดพลั้งได้นมนมจมได้ตกงานหรือทำงานค้าขายขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินอะไรต่างๆก็อาจจะถูกเหตุการณ์บังคับให้ไปทำบาปเพื่อแก้ปัญหาก็ได้ งนั้นเพื่อความปลอดภัยถ้าถ้าเวลามีเงินมีทองมีโอกาสมีความสามารถที่จะทำบุญต่างๆได้ก็ควรจะทำเผื่อเอาไว้เผื่อเวลาชีวิตเราตกต่ำถูกเหตุการณ์บังคับให้เราไปทำบาปหรือถูกกิเดตคือความโลภความโกรธ คือการลุ่ต่อโลภะลุ่ต่อโทสะเกิดขึ้นมาในอารมณ์ในใจยับยั้งไม่ได้ทำให้ต้องไปทำบาปแต่มันก็เป็นการทำบาปแบบเป็นครั้งเป็นคราวมอนไม่ได้ทำบาปบาปเป็นอาจินเป็นเป็นนิสัยเหมือนกับการไปเสพอบายามุขเนี่ยอย่างนี้เราก็ต้องทำ บุญทากุศลเผื่อไว้เพราะบุญนี้จะดึงจิตใจไปคนละทางกับบาปนั่นเองเอถึงแม้ว่าเรารักษาศีลเราระบเวนนบายามุกแต่บางครั้งเราก็อาจยังทำบาปอยู่พังเผลก็ได้พังเผลพูดโกหกบ้างอะไรทำนองนั้นฉะ้นเพื่อความปลอดภัยก็ เอามาเอาบุญมาช่วยคอยดึงใจไม่ให้ถูกบาปดึงไปเกิดในอบายได้นอกจากละบาปแล้วก็ควรจะทำบุญด้วยทำบุญตามกำลังไม่ต้องทำบุญแบบบ้าบอคอแตกบางคนเชื่อบุญโอ้ยมีเท่าไหร่ทาบุญทำบุญแบบเลยเถิดทำตามกำลังของเรา มีมากมีน้อยพอแบ่งปันให้กับผู้ที่เขายากไร้ได้ก็แบ่งปันไปถ้าไม่มีก็ก็ไม่เป็นไรไว้เรามีโอกาสที่มีความจริงมีอยู่แต่เพียงแต่ว่าเรามักจะเอาเงินไปใช้ในทางที่ไม่ถูกเท่านั้นเองคือเอาไปใช้กับกิเลสตัณหาของเราเนี่ย คนรจะเอาเงินเหล่านี้มาทำบุญจะมีประโยชน์กว่าเอาเงินไปใช้กับกิเลสตัณหามันก็มีแต่เหมือนกับเอาเงินไปไปทิ้งหลุมทุกทิ้งบ่อทิ้งเหวไม่ได้ไม่ได้อะไรมีแต่สูญเสียไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังเสร็จแล้วก็หายไปหมดแล้วก็ไม่มีอะไรหลงติดอยู่ในใจนอกจากความหิวความอยากเพิ่มขึ้น พอไปเที่ยววันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากไปเที่ยวอีกพอไม่ได้เที่ยวก็เกิดอารมณ์เสียขึ้นมาอารมณ์หงุดหงิดลำคาญใจอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวกดดันให้ไปทำบาปได้พอเที่ยวบ่อยๆอมันก็เป็นอบายามุกถ้านานทีปีหนเที่ยวก็ยังพอว่ากันเช่นปีใหม่สักครั้งหนึ่ง วันเกิดสักครั้งหนึ่งอะไรฉลองเงินไปตามเหตุแต่ไม่เที่ยวเที่ยวกันทุกวันทุกปีทุกเดือนทุกอาทิตย์เนี่ยเอาเงินเหล่านี้มาทำบุญดีกว่าเอามาคอยเป็นประกันไว้คอยสู้กับบาปที่เราอาจจะพังเผอหรืออาจจะถูกเหตุการณ์บังคับให้เราต้องไปทำบาป อย่างน้อยพอเวลาเราตายไปถ้าบุญเราทำไว้มีมากกว่า บ, บาปบาปก็ยังไม่สามารถดึงให้เราไปเกิดในอบายได้บุญจะดึงให้เราไปเกิดในสวรรค์ก่อนให้เราไปเป็นเ ท, เนเทวาก่อนแล้วพอบุญนี้ลดลงมาเท่ากับบาปเราก็มาเป็นมนุษย์ใหม่ พอเป็นมนุษย์ใหม่เราก็มาพยายามทําเหมือนเดิมต่อไปถ้าเราเคยทําอะไรมาเวลาเรากลับมาเกิดเราก็มักจะทําเหมือนที่เราเคยทําอยู่เพราะมันเป็นนิสัยเราก็จะกลับมาพยายามละบาปละอบายมุขพยายามทําบุญแล้วเวลาตายไปบุญก็จะดึงเราไปสวรรค์ เราก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุขติแต่เราก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พอเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บแล้วก็ต้องมาตายถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาตายเราก็ต้องซื้อประกันชีวิตของพุทธศาสนาประกันชีวิตของพุทธศาสนานี้ จะทําให้จิตของเราไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปพอไม่กลับมาเกิดก็จะไม่มีความตายตามมาเรียกว่าประกันชีวิตคือไม่ให้เกิดไม่ให้ตายนั่นเองอ <c oughs> วิธีที่จะสร้างซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติหรือจ่ายข้าม ค่าเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นนอกจากไม่ทำบาปนอกจากต้องทำบุญแล้วก็ยังต้องมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้ามาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ใจก็จะไม่มีอะไรมาฉุดลากให้กลับมาเกิดใหม่สิ่งที่ทาให้ใจกลับมาเกิดใหม่คือกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมอง ที่เป็นเหตุที่ทำให้จิตใจไม่สาดบริสุทธิ์ถ้าสามารถชำระกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ก็จะไม่มีอะไรมาฉุดลากใจให้กลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่มาเกิดก็จะไม่มีการตายนั่นเอง เรียกว่านี่คือการประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาจะรับประกันว่าจะไม่มีการตายต่อไปจะตายก็ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเพราะร่างกายอันนี้ไม่ได้รับประกันไว้ในไม่ได้ซื้อประกันไว้ในชาติก่อนเลยชาตินี้เลยต้องยังต้องมาตายอยู่สําหรับร่างกายที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน แต่ร่างกายในอณะคนนี้จะไม่มีวันตายต่อไปเพราะจะไม่มีร่างกายมาตายนั่นเองนี่คือประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาประกันให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเกิดมาตายกันอย่างที่เราเป็นกันอยู่ขณะนี้เชื่อหรือไม่ว่าการเกิดการตายของพวกเรานี้นับจำนวนไม่ได้ มากยิ่งกว่าตัวเลขที่เราจะเขียนได้ถ้าไม่เชื่อลองเปรียบเทียบดูตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงบอกว่าปริมาณที่น้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดมาตายนี่มีมากน้อยเพียงไรถึงขวดน้ำาเราเคยร้องไห้เก็บน้ำตามากถึงขวดน้ำที่เราดื่มไม แต่ถ้าเอามารวมกันของทุกภพทุกชาติที่เรามาเกิดมาตายท่านบอกว่ามันจะมีมากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทรคิดดูก็แล้วกันว่าต้องมาเกิดตายมาร้องไห้กันกี่ครั้งหลั่งน้ำตากันมากน้อยเพียงไรถึงจะทำให้เรามีน้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือปริมาณของการเกิดตายของพวกเรา ของการมาเกิดแล้วก็มาทุกข์มาร้องห่มร้องไห้ไปจนถึงวันตายถ้าเอาน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละพบแต่ละครั้งที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะมีมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรดันั้นถึงจะให้เขียนตัวเลขกี่ศูนย์ก็เขียนไม่เขียนไม่พอจํานวนพบที่เรามาเกิดตายกันแล้ะยังจะต้อง มีเพิ่มต่อไปเรื่อยๆตราบใดถ้าเรายังไม่ได้มาซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาแะการจะซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาได้ก็ต้องรอให้มีพุทธศาสนามาปรากฏในโลกนี้เหมือนญาติโยมอยากจะไปซื้อประกันนีถ้าไม่มีบริษัทขายประกันจะไปซื้อที่ไหน ก็ต้องรอให้มีคนฉลาดคิดขึ้นมาได้ว่ามีคนอยากจะซื้อประกันเรามาตั้งบริษัทขายประกันดีไหมอพอตั้งปั๊บก็มีลูกค้ามาติดต่อแนละ้วขอซื้อประกันชีวิตซื้อประกันภัยต่างๆ อ, าอันนี้พระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนบริษัทประกันภัยที่ไม่ใช่จะมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยของการมาเกิดเป็นมนุษย์ของเรา บางยุคบางสมัยเวลาเรามาเกิดอาจจะไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาก็ได้เพราะพระพุทธศาสนานี้จะมาเกิดขึ้นได้ก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้และการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็ทิิงช่วงเระยะเวลาอันยาวนานเหมือนกับจำนวนภพชาติที่เรามาเกิดตายกัน เป็นกลับเป็นกันเราอาจจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาตายกันอีกไม่รู้กี่แสนล้านครั้งถึงจะได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่งเพราะจังหวะของศาสนาที่มีอยู่ในโลกนี้กับการมาเกิดเป็นมนุษย์ของเรานี้อาจจะไม่ตรงกันก็ได้ช่วงที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้เราอาจจะไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ เรายังอาจจะไปใช้ใช้กรรมอยู่ในอบายหรือไปรับผลบุญอยู่ในสวรรค์อยู่ก็ได้พอถึงช่วงที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาก็อาจจะสูญหายไปแล้วก็ได้ยกตัวอย่างอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสองรูปเนี่ยที่พระพุทธเจ้าไปศึกษาท่านก็มีความสามารถที่จะเข้าฌาน ขั้นต่างๆได้ขั้นรูปประชานขั้นอารูปประชานเวลาที่ท่านตายไปนี้จิตของท่านก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมโลกและการไปเกิดในพรหมโลกนี้ท่านก็บอกว่าอยู่เป็นหมื่นปีกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใหม่ๆทรงค้นพบวิธีประกันชีวิตให กับจิตใจก็คิดถึงอาจารย์สองรูปนี้ขึ้นมาก่อนเพราะเห็นว่าท่านสามารถที่จะซื้อประกันนี้ได้ท่านมีศักยภาพมีกำลังที่จะจ่ายเบี้ยประกันก็เลยมุ่งไปหาสองรูปนี้แต่ก็ได้ทราบข่าวว่าเพิ่งตายไปรูปหนึ่งตายไปเมื่อเดือนที่แล้วอีกรูปตายไปเมื่อสองอาทิตย์ก่อน ท่พ อ, องค์เลยทรงตรัสว่าน่าเสียดายเพราะว่าโอกาสที่จะได้ซื้อประกันชีวิตโอกาสที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาตายนี้มีอยู่ตอนนี้แต่กลับไม่มีโอกาสเพราะว่าตายไปเสียก่อนแล้วเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ก็อาจจะไม่มาเจอกับพระพุทธศาสนาอีกก็ได้สำหรับศ า, าสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้อาจจะต้องรอจังหวะโอกาสหน้าอาจจะมาเจอกับภระศีอานถึงจะมีโอกาสได้ซื้อประกันชีวิตแต่นี่คือเราพวกเรานี้ต้องถือว่าเรามีโชคมีวาสนา ที่เราได้มาเกิดในยุคที่มีบริษัทขายประกันชีวิตให้กับพวกเราขายประกันภัยประกันชีวิตของจิตใจถ้าพวกเราไม่เฉวยโอกาสอันงามนี้อันดีนี้มาซื้อประกันสองชนิดนี้ก็ถือว่าเรานี่งอหรือไม่ฉลาด เป็นเหมือนไก่ได้ปลอยไก่นี้เวลาเขาหาอาหารก็จะคุย้ยเคี่ยหาตัวนอนตัวไส้เดือนพอไปเจอเพชเจอปลอยนี่เขาจะเขี่ยทิ้งเพราะมันไม่มีประโยชน์สำหรับเขาเขาไม่รู้คุณค่าของเพชของปล่อยถ้าเขารู้แบบมนุษย์รู้ว่าเพชปล่อยนี่สามารถเอาไปขายแลกเปลี่ยนอาหารชนิดต่างๆได้ เขาถ้าเก็บไว้แล้วเอาไปซื้ออาหารเขาก็ไม่ต้องมาคุยเกี่ยวหาตัวหนอนตัวไส้เดือนกินอยู่สามารถอยู่อย่างสุขสบายไปจนตะวันตายเลยพอได้เพชรได้พลอยมาเม็ดหนึ่งคิดดูซื้อตัวหนอนตัวไส้เดือนได้ทักเท่าไหร่เนี่ย <c oughs> พวกเราก็ที่ไม่สนใจเข้าหาพระพุทธศาสนาไม่สนใจที่จะมาซื้อประกัน ภัยประกรันชีวิตของพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนพวกไก่ได้ปล่อยนี่อยากจะเอาแต่ตัวนอนตัวไส้เดือนตัวนอนตัวไส้เดือนของพวกเราคืออะไรก็คือความสุขจากลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันนี่หากันเหมือนกับไก่ครับหาห า, หาตัวนอนฮะตัวไส้เดือน หาทรัพย์กันหาลาบกันหายศกันหาสรรเสริญกันเนี่ยตอนนี้บินไปฟิลิปปินส์เนี่ยไปหาสรรเสริญไปหาเหรียญทองกันแทนที่จะไปวัดไปศึกษาฟังเทศฟังธรรมไปซื้อประกันกับนู้นไปฟิลิปปินส์ของดีไม่เอาชอบเอาของไม่ดี ดีใจไม่กี่วันได้เรียนทองกลับมาไม่กี่วันเลี้ยงฉลองนับรางวัลเสร็จก็หมดไปละกลายเป็นอดีตไปละได้อะไรมาความสุขที่ได้มันเป็นความสุขเดียวๆพอเวลาผ่านไปมันก็หายจางหายไปเหมือนควันไฟปล่อยให้เหมือนกับไม่เคยได้อะไรเลยนี่คือ เรื่องของคนที่มาเกิดในวงพุทธแท้แทมีพุทธศาสนามาขายประกันให้กลับไม่สนใจที่จะเข้าหาเข้าซื้อประกันไปหาตัวนอนตัวไส้เดือนแทนนี่คือเรื่องนิทานของไก่ได้พลอย พวกเราไม่ได้เป็นไก่เราฉลาดกว่าไก่เรารู้ว่าอะไรมีคุณค่าอะไรไม่มีคุณค่าเราจึงฝืนกิเลสฝืนความอยากที่มันจะคอยชวนให้เราไปหาลาบยศจลเสริญไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้มันมาหาเพชรมาหาพลอยกัน ให้เขาหาพระรัตนตรห็นะพระตัตนตรันี่คือเพชรอัญญมณีอันล้ำค่าไม่มีอะไรที่มีไม่มีอัญญามณีชนิดไหนที่จะมีคุณค่าเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะสิ่งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มอบให้กับเราได้นี้ไม่มีอัญญมณีชนิดใดในโลกนี้ที่สามารถที่จะไปซื้อมาให้เราได้ มีเพชรกองเท่าภูเขาก็ยังไม่สามารถที่จะให้วิมุตติคือการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายให้กับเราได้แต่ถ้าได้พระรัตนาตัยมาเป็นสมบัติเราจะได้วิมุตติได้มากผลนิพพานได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ได้หลุดออกจากสังสารวัฏคือตายภพของการเวียนว่ายตายเกิดได้พระนิพพานที่เป็นบร ม, มสุขที่เป็นความสุขอันสุดยอดของโลกของชีวิตจิตใจที่ไม่มีเงินทองหรือเพชรกองเท่าภูเขาสามารถซื้อได้คือนิบานังปรมังสุขขัง นิบานังปรมังสุขขังก็คือความบรมสุขของพระนิพพานจะต้องซื้อด้วยพระรัตนาไตายซื้อด้วยการเข้าหาพระรัตนาไตายเข้าหาพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระอารยส่งสาวกหรือพระธรรมคำสั่งคำสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกถึงจะสามารถที่จะไขว่คว้า เอาวิมุตติเอาพระนิพพานมาเป็นสมบัติให้กับจิตใจได้ อ, อังนี้พวกเราควรคำนึงถึงความจริงอันนี้ไว้อยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้คอยป้องกันเวลาถูกโมหะอาวิชามาคอยหลอกมาล่อเดี๋ยววันดีคืนดีมีคนมาล่อ มีคนถูกอกถูกใจมาชวนให้ไปเป็นแฟนเดี๋ยวก็พอไปเป็นแฟนแล้วก็ไม่ได้ไปวัดไม่ได้ไปจ่ายเบียรประกันไม่ได้ไปชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์หรือเดี๋ยวมีงานดีๆมาให้ทำมีเงินเดือนดีๆมาล่อตอนต้นคิดว่าจะหยุดทำงานแล้วจะเข้าวัดไปปฏิบัติธรรม พอมีงานดีเงินดีก็อาจจะเปลี่ยนใจจึงต้องคอยเตือนใจคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่านานๆจะได้มาเจอกับพระรัตนตรัยสักครั้งหนึ่งมาเจอเพชรอันวิเศษอัญญมะนีอันวิเศษอันที่ไม่มีอะไรมีคุณค่าเท่ากับอัญญะมะีอันนี้ อย่าโยนอนญญาตมันนี้ น, นี้ทิ้งไปอย่าไปเป็นไก่ได้พลอยแล้วก็เขียทิ้งไปเพื่อที่จะไปหาตัวหนอนตัวไส้เดือนเห็นเวลามีอะไรมาล่อให้เราได้ราบได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่เราต้องรีบปฏิเสธไปเลยว่าไม่ต้องการ ไม่ต้องการตัวไส้เนื้ตัวตัวหนอนตัวไส้เดือดเราต้องการเพชรต้องการพลอยเราได้เพชรได้พลอยแล้ว เ, เราต้องรีบเอาไปขึ้นเอาไปเปลี่ยนเป็นสินค้าที่เราต้องการคือเอาไปเปลี่ยนเป็นวิมุตติเอาไปเปลี่ยนเป็นพระนิพพานเป็นปรมังสุขถัง เพราะความสุขของพระนิพพานนี้มันเหนือกว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เองนี่คือสิ่งที่เราเชาวพุทธควรที่จะคำนึงควรที่จะคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้เราได้เพชรอั ญ, ญมณีที่มีคุณค่าล้ำค่ากว่า อ, อั ญ, ญมณีทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้แล้ว มีคุณค่ามากกว่าลาบยศสารเสรินกว่ารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วเราอย่ายโยนทิ้งมันไปเราต้องพยายามรักษาไว้ให้อยู่กับเราไปตลอดให้ได้เพื่อที่เราจะได้ใช้พระรัตนไตยมาพาเราไปสู่วิมุติการหลุดพ้นจาก่องทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด พยายามเกาะติดกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้เหมือนกับคนที่ลอยคออยู่ในทะเลต้องติดกับห่วงยางห่วงยางชูชีพถ้าไวนะ้น้าไม่เป็นนี่รับรองได้ว่าพอเจอห่วงยางนี่กอดลัดแน่นเลยไม่ยอมปล่อยเพราะถ้าปล่อยนี่มันจมน้าตายนั่นอขอให้เราคิดอย่างนี้ถ้าเราปล่อยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปนี้ เท่ากับเราปล่อยห่วงชูชีพที่จะมาช่วยให้เราได้พ้นจากการจมน้าในวัฏสงสารเนี่ยวัฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบเนี่ยเหมือนกับถูกจมน้ำว่ามันมีแต่ความทุกเนี่ยในสังสารวัฏนี้ถึงแม้จะมีความสุขมาหลอกมาล่อแต่มันก็เป็นความสุขแบบเยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนั่นเอง ปลาที่ไม่ฉลาดพอเห็นเหยื่อลอยอยู่ก็คิดว่าเป็นอาหารนั่นโอชาแต่พอไปฮุบเหยื่อเข้าก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากถูกเขาก็ตกจับขึ้นไปลงหม้อกแกงต่อไปแต่ปลาฉลาดจะคิดก่อนให้ทำไมอยู่ดีๆมันมารอยอยู่เฉยๆมันอยู่นิ่งๆมันต้องมีอะไรผูกมันไว้หรือเปล่า พอดูอีกทีอ๋อมีเชือกเนี่นว่าเมื่อกี้มาไม่เอาดีกว่าไม่กินดีกว่าปลอดภัยกว่าเนี่ยคนที่ฉลาดก็เหมือนกันพอมีอะไรมาหลอกมาล่อให้เราทิ้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เราต้องไม่เอาโดยเด็ดขาดเราต้องยึดมั่นเราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อยู่ในใจอยู่ใกล้ใจเราเราต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการทําตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองท่านก็สอนเบื้องต้นให้เราซื้อประกันภัยไว้ก่อนเผื่อถ้าเรายังไม่สามารถซื้อประกันชีวิตได้อย่างน้อยเวลากลับมาเกิดก็อยากได้ไม่ไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีคือในอบาย ได้เกิดในสุขคติในเป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดาสลับกันไปกันก่อนดีกว่าไปเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นอาศุลกายไปตกนกรกเงื่องตอนก็ให้มาซื้อประกันภัยด้วยการละการกระทาบาปทั้งปวงละอบายามุขพอเราทาได้แล้วเพื่อความมั่นใจเพื่อความปลอดภัยชั้นที่สองก็ ให้มาเสริมด้วยการทำบุญกุศลต่างๆเผื่อเวลาที่เราพังเผอไปทำบาปเรายังมีบุญมาคอยต้านบาปที่จะดึงใจให้ไปเกิดในอบายได้ถ้าบุญที่เราทำไว้มันมีมากกว่าบาปเห็อย่างน้ลองทำบุญทุกวันดูรับประกันได้เช่นใส่บาตรทุกวันถ้ามีพระเดินผ่านนับบ้านมาก็าใส่บาตรไป หรือถ้าไม่มียาวเงินใส่บาทใส่กระปุกไว้ก่อนก็ได้ทำทุกวันเพราะการทำทุกวันมันจะติดเป็นนิสัยเราจะทำให้ทำได้มากเพราะเมื่อมารวบรวมกันแล้วเดือนหนึ่งมันจะได้เยอะเยอะกว่านานๆานานานมาทำทีเวลานานๆานานมาทำทีถึงแมอยากจะทำเท่ากับปริมาณที่ทำทุกวันบางทีก็เสียดายโอ้ยมันเยอะ แต่ถ้าเราทำาวละเล็กวัวละน้อยเราจะไม่รู้สึกเสียดายแล้วพอมารวมกันนี้มันก็เยอะเหมือนกับเรานานๆทาทีหนึง่งแล้ว ก, การนานๆทาทีก็อาจจะเสี่ยงเพราะถึงวันที่จะทาอาจจะอาจจะไม่สบายหรืออาจจะเป็นอะไรไม่ได้ไปทำก็ได้เพั้นพยายามทำทุกวันอาจทาให้มันติดเป็นนิสัยมากน้อยแล้วแต่กำลังของเรา เอาเศษเงินที่เหลือจากวันที่เราไปทํางานกลับมามีเศษเลรียญเศษอะไรก็ใส่กระปุกไว้วอกนี่คือเงินทําบุญะทําทุกวันวันละเล็กวันละน้อยพอเวลาเราไปวัดเราก็เอาไปถวายวัดไปชาระหนี้สงฆ์ก็ได้วัดมีหนี้ต้องชําระเช่นค่าน้ําค่าไฟ ค่าอะไรจีปาทะสมัยนี้มันมีอะไรหลายอย่างค่าใช้ใจ่ายหลายอย่างด้วยกันเราก็จะได้ทำบุญทำกุศลได้อย่างสม่าเสมอแล้วถ้าเรามารวรวมกันสิ้นปีนี้อาจจะทำได้เยอะแยะซึ่งเราอาจจะไม่กล้าทำถ้าเราทำปีละครั้งสองครั้งพอเห็นจำนวนเงินที่เราต้องทำบุญเราจะเสียดายถ้ามันเป็นก้อนใหญ่ แต่ถ้ามันเป็นเศษเงินเศษทองที่เรามีไว้ติดกระเป๋าเราก็เอาหยอดใจเข้าไปในกระปุกมันก็ทําง่ายกว่าเนี่ยพยายามทําบุญให้มันติดเป็นนิสัยให้ได้ทําให้เป็นประจําเหมือนกับการรับประทานอาหารเพราะบุญนี้ก็เป็นเหมือนอาหารของใจนี่เองทําแล้วก็มีความอิ่มใจสุขใจ จะทำให้ไม่หิวกับการที่อยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปเที่ยวไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นนสดต่างๆที่ไม่ได้ให้ความอิ่มที่กลับจะทำให้เกิดความหิวอยากจะเที่ยวอยากจะดูอยากจะฟังอะไรมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือวิธีการซื้อประกันภัยในเบื้องต้นให้เราพยายามละการกระทำบาป ละอบายามุกแล้วก็ทำบุญตาม ต, ตามอัตภาพตามกำลังไม่ต้องไปดิ้นหนนหาเงินมาทำบุญอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการทำบุญให้ทำบุญคือให้ในสิ่งที่เรามีอยู่ที่เราไม่ต้องใช้ที่ตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เอามาเปลี่ยนเป็นบุญดีกว่าเพราะบุญนี้เอาไปได้บุญนี้แหละจะเป็นที่พึ่งของเราในยามตาย เวลาที่เราไม่มีร่างกายเป็นที่พึ่งเราก็ต้องพึ่งบุญเพราะบาปเราพึ่งไม่ได้บาปมันเป็นโทษมันเป็นไฟไม่มีใครไปพึ่งไฟให้มาเผาตัวเองต้องไปพึ่งของเย็นพึ่งบุญนี่เป็นของเย็นเป็นอาหารของใจถ้าเรายังไม่ได้ไปซื้อประกันชีวิตก็อย่างน้อยซื้อประกันภัยไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย จากการที่จะต้องไปเกิดในอบายนั่นเองพอเราสามารถซื้อประกันภัยได้นะต่อไปเราก็อาจจะอยากจะซื้อประกันชีวิตเราก็จะสามารถทําได้เพราะการซื้อประกันชีวิตก็เราก็เพียงแต่มาเพิ่มการรักษาศินเพิ่มขึ้นอีกสามข้อนั่นเองจากการถือศีลห้าก็เปลี่ยนมาถือศีลแปด สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อประกันชีวิตเนี่ยผู้ที่ต้องการชำระใจให้สะอาดบ่อยสุดนี่จำเป็นต้องมีสินแปดเป็นเป็นเครื่องมือเพราะสีนแปดนี้จะป้องกันหรือห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองเพราะว่าเราต้องการเอาเวลามาชำระจิตใจ ถ้าเรายังไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายอยู่เราก็จะไม่มีเวลามาชำระจิตใจดนั้นเราเลยต้องห้ามไม่ให้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสยากคนนั้นจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ใออครร่วมหลับนอนกับแฟนก็ต้องเลิกออถ้าถือศีลแปดก็ห้ามร่วมหลับนอนกัน ศีลข้อหกก็ห้ามกินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วกินมากเกินไปไม่ดีเป็นโทษกับร่างกายและจิตใจเพราะจะทำให้ง่วงนอนทำให้ขี้เกียจกินอิ่มแล้วก็อยากจะนอนก็จะไม่มีเวลามาชาระจิตใจมาทำใจให้สงบก็ต้องถือศีลข้อหกไม่กินอาหารหลังเที่ยงวัน แล้วก็ศีลข้อเจ็ดก็ไม่ให้ไปหาความสุขจากมหโหสถ บ, บันเทิงต่างๆเพราะจะเสียเวลาจะหมดเวลาไปกับกิจกรรมเหล่านี้ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาชําระจิตใจแล้วก็ไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามด้วยเสื้อผ้าอภรรด้วยเครื่องสำอางด้วยน้ํามันน้ําหอมต่างๆ เสียเวลากว่าจะแต่งตัวเสร็จบางทีใช้เวลาเป็นชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้ไปไหนแต่งไปทําไมมาปฏิบัติธรรมนี่ไม่ได้ไปโชว์หน้าโชว์ตาให้กับใครมาปีกวิเวกเห็นอย่าไปเสียเวลากับการเสริมสวยความงามะแล้วก็ไม่ให้นอนมากเกินไปพอนอนมากเกินไปก็จะไม่มีเวลามาภาวนา วิธีที่จะทำให้ไม่นอนมากเกินไปก็อย่าไปนอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาะๆนะเพราะนอนแล้วมันจะสบายเกินไปเวลาร่างกายพักผ่อนพอลัตื่นขึ้นมาแต่ใจมันจะไม่อยากจะลุกใจก็ขอนอนต่อเอาเอาเวลานอนนี้มาแย่งเอาเวลาชำระจิตใจไปเอาไปกับการนอน ยังถ้านอนบนที่แข็งแข็งบนพื้นแข็งแข็งนี่ยพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบา ย, ยก็รีบลุกขึ้นมานั่งสมาธิเดินจมกรมดีกว่ามาชำระจิตใจดีกว่าเนีนี่คือหน้าที่ของศีลต้องรักษาศีลจะได้มีเวลามีเวลาแล้วก็ยังไม่ได้หมายความว่าจะมาภาวนาเอง เดี๋ยวก็ทะเลทลัยทำเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้ก็ต้องใช้สติคอยมาควบคุมอีกทีหนึ่งคอยบริกรรมพุทโธพุทโธให้หยุดความคิดปรุงแต่งเพราะเดี๋ยวคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวอดที่อยากจะไปทำไม่ได้ต้องหยุดความคิดต่างๆคอยควบคุมตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไป อย่าให้ปล่อยไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวมันจะทะเลทะไลออกนอกลูนอกทางไปมาพุโทโธพุโทโธดีกว่าแล้วใจจะว่างจะมีสติจะเย็นจะสบายแล้วพอเวลานั่งใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและจะอยู่ในความสงบได้นานถ้ามีสติมากๆทำไมเราต้องเข้าสมาธิ เพราะเราต้องการให้จิตมีความอิ่มความสุขนั่นเองมีความพอมีความวางเฉยเพราะเราจะต้องใช้จิตนี้ไปสู้กับกิเลสตัณหาความอยากต่างๆถ้าเราไม่มีความสุขจากสมาธิไม่มีอุเบกขาจากสมาธิเวลาเกิดความโลภความอยากมันจะสู้ไม่ไหวมันจะทนไม่ไหว แต่พอออกจากสมาธิมาเรามีอุเบกขามีความสุขทางใจพอกิเลสจะมาหลอกมาล่อให้เราไปหาความสุขจากลาบยศสนเส ร, เริญจากรูปเสียงก ล, ลิ่นรสเราก็ปฏิเสธได้ว่าโอ้ยมันสู้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่ได้แล้วเราก็ฝืนใจได้ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาไม่มีความสุขจากสมาธินี้ ถึงแม้จะรู้ว่าความสุขของสมาธิดีกว่าแต่มันไม่มีมันก็ยังทําให้ทนไม่ไหวหเวลาเกิดความอยากที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิดนด่นรสเดี๋ยวมันก็ต้องไปทั้งที่ได้ยินได้ฟังทาอยู่เรื่อยๆว่าความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็เคยเกิดจากความสงบนี้แต่ถ้าเราไม่มีแล้วเราจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบเล ในเบื้องต้นเราต้องสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบให้ได้เสียก่อนเพื่อเป็นความสุขทดแทนเพื่อเราจะได้มาแลกเปลียนกับความสุขแบบเก่าเมื่อก่อนเราชอบหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันชอบไปเที่ยวชอบไปดูมหัศลศพไปสถานบันเทิงกันพอเราได้ความสงบได้ความสุขจากความสงบแล้วเวลาเกิดความอยากไปเที่ยวเราก็จะห้ามใจเราได้ เราก็จะตัดความอยากได้ตัดความโลภได้อ <c oughs> พอเราใช้สมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาคือการเปรียบเทียบว่าความสุขของสมาธิกับความสุขของลาบยศสัดลเสริญของรูปเสียงกลิ่นนนนี่มันสู้กันไม่ได้ความสุขของสมาธิดีกว่าเราก็กลับไปเข้าสมาธิดีกว่าทุกครั้งอยากจะทําอะไรตามความอยากก็เลิกได้ ต่อไปความอยากต่างๆที่มาลุมเล้าจิตใจมาหลอกล่อจิตใจให้ไปหาสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็จะหายไปหมดพอหายไปหมดมันก็จะไม่มีความอยากมาดึงใจให้เรากลับมาเกิดใหม่พอร่างกายนี้ตายไปแล้วมันก็จะไม่กลับมาหาอะไรในโลกนี้อีกต่อไปเพราะมันมีความสุขที่ดีกว่าอยู่ในใจนั่นเองก็มีความสุขที่เกิดจากความสงบ เกิดจากการระงับความอยากต่างๆที่จะกลายเป็นความสุขที่ถาวรต่อไปนี่คือวิธีชำระจิตใจให้บ่อยสุดกำจัดความโลภความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้มันหายไปหมดพอหมดแล้วมันก็จะไม่มีอะไรมาดึงให้เรากลับมาหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ต่อไป พอร่างกายนี้ตายไปก็จะเป็นร่างกายสุดท้ายที่เราจะตายที่จะให้มันตายแต่หลังจากนั้นจะไม่มีร่างกายอันใหม่มาเกิดให้มันตายอีกต่อไปเราก็จะไม่มีวันตายอีกต่อไปเราก็จะอยู่ที่พานิพานอยู่กับบร ม, มสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันตายนั่นเอง ความสุขที่เราได้สร้างจากการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์มันก็ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดนี่คือการซื้อประกันชีวิตของพระพุทธศาสนาต้องมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะมาซื้อประกันชีวิตก็ต้องซื้อประกันภัยก่อนละการกระทำบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม พอเรามีประกันภัยแล้วเราก็พร้อมที่จะไปซื้อประกันชีวิตต่อไปได้พอเราซื้อประกันชีวิตได้เราก็ไม่ต้องกลับมาตายกันอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธศาสนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมอบให้กับเราหรือทําให้กับเราได้ก็คือสอนวิธีให้เรามีประกันภัยและมีประกันชีวิตนั่นเอง ถ้าเราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติต่อไปเราก็จะพ้นจากภัยทั้งปวงพ้นจากภัยที่จะไปเกิดในอบายพ้นจากภัยที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด น, นี่คือเรื่องของธรรมที่มาฝากท่านไว้ในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อน ยะถาวะริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวามีวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอ e ิทิต um ังปทิตังตุมหังคิปเมวะสมมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปา จันโทปนะราโสยทามะนิชติอราโสยทาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโวินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขิธิขายุโกภวะ อภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารธรรมวาวทานติอายุวันโนสุขังภาลางังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถาม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 แล้วฟังบนเขา136รวมทั้งหมด695ท่านค่ะอถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามค่ะพอดีมีคนที่รู้จักเขาชอบธรรมะแล้วเขาบอกว่าเวลานอนเขานอนแบบมีสติรู้ตัวตลอดพอได้ยินแล้วมาพิจารณาการนอนของตัวเองเราไม่ึกเมาไม่รู้สึกตัวค่ะ แตกหลับลึกเลยไม่แน่ใจว่าเวลานอนสําหรับผู้ปฏิบัติเราควรฝึกให้นอนแบบมีสติรู้ตัวตระออกจนตื่นใช่ไหมคะ อ, อ๋อมันรู้ตัวไม่ได้หรอกเวลาหลับถ้าถ้าหลับมันก็ไม่รู้ตัวแต่เพียงแต่ว่าถ้ามีสตินี่พอมามีอะไรมากระทบหน่อยมันจะรู้ตัวเร็วนี่คือลักษณะของคนมีสติ พอมีเสียงอะไรมาเข้าหน่อยก็อาจจะรู้ตัวเตือนขึ้นเร็วกว่าคนที่ไม่มีสติต่างกันตรงนั้นแต่เวลาหลับหลับเหมือนกันเพราะเวลาหลับมันต้องไม่มีสติมันถึงจะหลับได้แต่พอได้ยินเสียงหรือมีความรู้สึกอะไรทางร่างกายขึ้นมานี่มันจะไหวมันจะรับรู้ได้ไวกว่าดังนั้นนี่เราไปไปไปกำหนดไม่ได้ มันอยู่ที่ว่าเรามีสติมากสติน้อยสติมากน้อยก็อยู่ที่ตอนที่เราตื่นถ้าเราฝึกสติอยู่บ่อยเราก็จะมีสติมากถ้าเราฝึกน้อยก็มีสติน้อยเห็นถ้าเราฝึกมากๆาคือพยายามคอยควบคุมใจให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเ็าเรียกว่าเรากำลังฝึกสติ แค่ได้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธหรืออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างนี้เราเป็นการสร้างสติพอมีสติแล้วมันก็จะควบคุมความคิดได้ดีพอนั่งสมาธิต้องการให้หยุดคิดมันก็หยุดคิดได้เวลานอนหลับเวลามีอะไรมาสัมผัสปับบ๊บมันจะรู้ทันทีหรือเวลาก่อนนอนตั้งเวลาได้ตั้งในใจว่าเดี๋ยวจะตื่นกี่โมง พอถึงเวลานั้นมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาทันทีคำถามต่อไปจากคุณมนคนใหม่ค่ะขอความเมตตาพิมพ์คำถามว่าปัจจุบันกระผมได้ทำงานแล้วนำเงินให้แม่สามพันบาทต่อเดือนและผู้หญิงอีกสองคนจะวางใจถือว่าการเสียสละนี้ เป็นบุญที่จะสะสมไว้ชั่งน้ำหนักลบล้างหนี้การกระทาบาปในอดีตได้ไหมครับได้ก็ เ, เป็นบุญอย่างหนึ่งการทาบุญนี้ไม่จำเป็นจะต้องทํากับพระถึงจะเป็นบุญทํากับใครก็ได้เป็นบุญทั้งนั้นเพราะบุญคือผลที่เกิดจากการกระทาของเราไม่ใช่เกิดจากผู้รับจากการกระทาของเราบุญคือเกิดจากการเสียสละแบ่งปันเรามีเงินทองเงนเดิน ที่เราสามารถแบ่งให้พ่อให้แม่ได้ให้พี่ให้น้องหรือให้กับคนที่เราอยากจะอุปการะได้ก็เหมือนกับทาบุญกับพระทาบุญกับวัดคำถามต่อไปจากคุณจรัสรักค่ะคำว่าสัมปรยายภพความหมายคืออย่างไรเจ้าคะคือภพที่ดีมั้งเหสัมปะสัมป ร, มปรยายภพก็คือสุขติเนี่ จะให้ไปเกิดในภพของเทวดาของมนุษย์ของพรมของพระระยะบุคคลอย่าไปเกิดอบายต้องซื้อประกันภัยของาศาสนาพูดถึงอย่าไปสัมปายภพได้คำถามต่อไปจากคุณธีรยุทธ์ค่ะกรรมเหนือกรรมหมายความว่าอย่างไรครับไม่รู้อันนี้เป็นลูกเล่นคนที่เขาจะใช้คำเล่นกัน คก <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณรัชโพกับเรียนถามพระอาจารย์ครับผมนั่งสมาธิเข้าถึงจุดที่นิ่งเบาสงบตอนนี้เข้าได้ถี่ประจำเข้าเร็วขึ้นถอนช้าขึ้นจากนั่งได้สี่สิบนาทีเป็นนั่งได้ชั่วโมงกว่าต่างจากตอนเข้าได้ใหม่ๆ และเวลาที่อยู่ในสมาธิก็จะพยายามไม่ภาวนาอะไรดูความสงบสบายเบาเฉยไปตลอดถ้าเริ่มผ่อนเหมือนกำลังจะหมดก็ภาวนาพุทโธบ้างหรือสวดมนต์บ้างเพื่อให้ได้อยู่ในความสงบต่อไปแต่มีคำถามครับคือเวลาที่อยู่ในสมาธิแล้วไม่ได้ภาวนาอะไรบางทีก็มีตกลุมมูบบ้าง จนสงสัยว่าผมแอบสบายจนหลับหรือเปล่าแต่บางครั้งก็มั่นใจว่าสติดีอยู่ก็ยังมีวูบเบาๆอีกวูบทีก็เบากว้างละเอียดสงบดีไม่ได้ถอนออกมาแน่นอนครับและหลังๆรู้สึกวูบบ่อยเหมือนกันครับจึงอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าอาการตกหลุมวูบเบาๆในสมาธิลึก เมื่อเข้าดูความสงบคือปกติหรือเปล่าครับควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับมันก็ขงเป็นช่วงที่เราสัเพลสติมันก็เลยวบทำท่าจะหลับพอมันวูบเราก็มีสติกับคืนมามนะก็บางช่วงเวลาจิตมันสงบแล้วบางทีสติแล้วอ่อนมันก็วบหลับไปพอจะวบหลับเราได้สติคืนมามันก็กลับมาใหม่กลับมาอยู่ที่เดิมใหม่ ก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าอยากจะให้มันไม่มีสติดีกว่านี้ก็ต้องพยายามไปฝึกในสติในที่หวาดกลัวหวาดเสียวเพราะที่นั่นมันจะต้องใช้สติมากเวลาไปอยู่ในป่าคนเดียวอยู่ในป่าช้าเวลาอยู่ในสถานที่มีสิ่งแวดล้อมที่น่าหวาดกลัวมันจะทำให้มีสติเตือนตัวมากขึ้น คำถามต่อไปจากคุณกำพลค่ะเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเราอยู่แบบพอเพียงและถือศีลและเอาเวลามาศึกษาธรรมะนั่งสมาธิทํางานน้อยลงและไม่รบกวนใครอย่างนี้เราทําถูกต้องไหมครับก็เป็นจุดเริ่มต้นสู่กระบวนการเข้าสู่การปฏิบัติแบบเต็มรูปแบบต่อไปเวลาเริ่มต้นนี้เราไม่สามารถที่จะละ ท, ทุกอย่างทิ้งไปได้ แล้วก็ไปบวชเลยเราก็ต้องทำเป็นแบบมือสมัครเล่นไปก่อน เ, อเวลาไหนที่ว่างเราก็มาปฏิบัติทำเวลาไหนที่เรายังมีภาระก็ไปทำภาระหน้าที่ของเราไปก่อนจนกว่าเราสามารถที่จะปลดเปื้องหน้าที่ต่างๆไปให้มันน้อยลงไปและให้มันหมดไปได้เราก็สามารถเข้าสู่การปฏิบัติแบบเต็มรูปแบบได้ต่อไป คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามค่ะเวลาภาวนาเมื่อจิตสุขความสงบบางครั้งเห็นตัวเลขลอยขึ้นมาแล้วเอาไปบอกคนที่มีปัญหานี่ครอบครัวเอาไปแทงหวยใต้ดินจนปรดหนี้ได้กระผมกาเรียนถามว่าผมจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกก็ชี้ขุมทรัพย์ให้เขาเขาเท่นั้นเองาขุมทัพย์อยู่หมายเลขที่สองที่สามที่สี่ เขาเดินไปหาไปเจอกลุ่มซับก็เรื่องของเขาเขาไม่ได้ไปทำให้ผู้อื่นเสียหายเพราะการเล่นหวยก็เหมือนเป็นการซื้อขายสินค้าอย่างหนึง่งซื้อเลขรอเลขตรงกับที่เราซื้อเขาก็ให้เงินเรามาก็เท่านั้นแต่อย่าไปเล่นแบบเอาเป็นเอาตายเป็นอาชีพเพราะมันอาจจะหมดเนื้อหมดตัวได้แต่ถ้าคิดว่าเป็นการเบิด ดช่องให้บุญเก่าที่เราเคยทำไว้มันมีช่องออกไงก็ไปซื้อสักตัวสองตัวเบุญมันเก่ามีอยู่อยากจะเอามาส่งผลมันจะได้มีช่องทางออกได้คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีกท่านค่ะเราใช้ธรรมะในการคองเรือนในรูปแบบใดดีคะก็แล้วแต่เราเป็นคารวะเราก็คองนวนแบบคารวน ถ้าเป็นนักบวชก็ต้องคลองเรือนแบบนักบวชก็ต้องถือศีลต่างกันคารวะก็ต้องถือศีลห้าเป็นพื้นฐานถ้าเป็นนักบวชก็ต้องถือศีลแปดเป็นพื้นฐานคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามอีกท่านหนึ่งค่ะ สินห้าที่สมบูรณ์จะช่วยกำกับทั้งกายวาจาใจไม่สอดสายไปในอกุศลและทําให้เกิดมีสติได้เบื้องต้นบ้า ง, างแต่จะไม่หมดไปจากทุกที่เกิดจากกามฉันทะทั้งหลายดังนั้น จ, จึงต้องไปถือสินแปดมาช่วยเพิ่มเติมใช่หรือไม่เจ้าคะถูกต้องถูกต้องเพราะสินห้ายัางไม่ได้ห้ามเรื่องการเสพกามแบบร้อยเปอร์เซ็นห้ามเพียงแต่การเสพกามที่ผิดประเพณี แต่ถ้าไม่ผิดประเพณีไม่ผิดกฎหมายก็ยังเสพได้แต่ถ้าถือศีลแปดถึงแม้จะไม่ผิดก็ไม่ให้เสพมีคำถามจากคุณผู้ชายพูดใกล้ๆปากหน่อยนะดังๆ ข, ขอถามสองคำถามครับคำถามที่หนึ่งถือศีลแปดนี่ ยังขับรถนั่งรถได้ไหมครับได้เนีไม่มขีข้อห้ามเลยเพียงแต่ว่าเขาไม่นิยมพวกถือศีลแปดนี่เขาจะนิยมไปอยู่วัดเพื่อไปนั่งสมาธิแทนแต่ถ้าเรายังทํางานอยู่แต่อยากจะหัดถือศีลแปดไปก่อนก็ถือไดไ้ไม่เป็นปัญหาเลยอ๋อเพราะเพราะผมสงสัยตรงที่ว่ารถมันมีเบาะมีอะไรอย่างอ๋อไม่เป็นไรเราเราไม่ได้ถือแบบร้อยเปอร์เซ็นตเราแบบถือเพื่อเพื่อฝึกหัดซ่อมไปก่อน เมื่อเราถึงเวลาพร้อมแล้วเราค่อยไปถ้าเป็นเบาะที่ไม่หนาไม่แบบสุขสบายเนี่เราก็นั่งบนเบาะนี่เบาะบางๆเพื่อบรรเทาความอเจ็บปวดของร่างกายก็พอที่จะทําทได้แต่ไม่ได้นั่งเพื่อให้เกิดความสุขสบายถ้าไม่ถ้านั่งบนพื้นแข็งๆนี่นั่งไม่ได้นานทนไม่ไหวอันนี้ถ้ามันเป็นเบาะมันก็จะไม่มีการ สร้างความทุกข์ทางร่างกายให้มากเกินไปก็พอนั่งได้ยาวหน่อยเห็นไม่เป็นไรเนาะนั่งได้ขับรถได้นั่งนบนเบาะรถได้คำถามที่สองเป็นปัญหาส่วนตัวครับน้องน้องนิสัยไม่ค่อยดีครับแล้วก็พ่อแม่ก็มาากัมาจากจะมักจะสงสารนะครับก็ช่วยช่วยเหลือโดยที่ว่าช่วยเหลือทุกอย่าง ทีนีคือแต่พอมีปัญหาสะสมมากมันก็มาตกที่ลูกคนอื่นครับเรียกคนอื่นนี่ก็ไม่ไม่ไม่อยากจะช่วยแกมากครับเพราะว่าแกก็จะไปสนับสนุนให้ให้ให้ลูกคนที่มีเดียมทำไม่ดีต่อไปครับก็กใจหนึ่งก็คิดว่าอา้าถ้าถ้าไม่ช่วยพ่อแม่แล้วเกิดว่าสักวันหนึ่งเราต้องจากกันไป มันจะไม่มีโอกาสได้ดูแลกันครับก็เลยสองจิตสองใจว่าจะจะทํำยังไงเดียร์ก็ให้เท่าที่พ่อแม่กวรจะควรจะเอาไปคือให้เรื่องขั้นพื้นฐานคือก็คือเรื่องปัจจัยสี่เราส่วนพ่อแม่เขาจะเอาไปใช้อย่างอื่นเอาไปอะไรก็เป็นเรื่องของพ่อแม่เขาไปเราควรที่จะแบ่งรายได้ของเราให้กับพ่อแม่ไว้ส่วนหนึ่ง ส่วนพ่อแม่จะเอาไปใช้ทาอะไรก็เป็นเรื่องของพ่อแม่เขาไปอย่าไปกังวลเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นกิเลสมาคอยห้ามไม่ให้เราให้ให้เงินทองพ่อแม่ไม่ให้ช่วยเหลือพ่อแม่เห็นถ้าพ่อแม่เขาได้เงินทองอย่างเราเราก็จะไปทำบุญกับเรื่องของเขาเขาก็ได้บุญในส่วนนั้นไปเราก็ได้สนับสนุนให้พ่อแม่ได้ทำบุญ เห็นเราอย่าไปอ้างนู่นอางนี่เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องให้เงินพ่อให้เงินแม่ไม่ได้ทําบุญกับพ่อกับแม่คิดว่าทําบุญกับพ่อแม่แล้วพ่อแม่จ่าเงินไปทําอะไรกับเรื่องของพ่อแม่เราเราทํางานเรายังทําบุญให้กับรัฐบาลได้ไม่ใช่หรือรัฐบาลยังขอเก็บภาษีไปซื้อของก็เก็บไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะเห็นไเราก็ให้พ่อแม่สักสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นไปว่าอันนี้เป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่ อย่าไปคิดว่าพ่อแม่จะไปช่วยคนนู้นคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้มันจะทําให้เราไม่อยากจะทําบุญกับพ่อกับแม่โอเคคือตรงนั้นมันมันไม่มีปัญหาผมมีปัญหาคือว่าพ่าไม่แก่ลาบากมากครับก็ เ, เรื่องของเขาเขาอยากจะลําบากด้วยการร่างกายเขาลาบากแต่ใจเขามีความสุขเขาไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องของน้องก็ได้ที่ค่อยช่วยน้องให้มันเอไม่มีปัญหา เพราะมงเขาก็มีความสุขใจเขาคเขายอมทุกข์กับทางร่างกายกับเรื่องของเขาเราไม่ได้ไปบังคับเขาเขาทําเขาเองนะดีกว่าเขาไม่มีเงินช่วยน้องชายเลยเขายังทุกข์ใจด้วยทุกข์กายด้วยพอเขามีเงินช่วยน้องชายก็ยังทําให้เขาทุกข์เพียงแค่ด้านเดียวก็ทุกข์กายแต่ใจเขาไม่ทุกข์นะเข้าใจนะโอเค อย่าไปหาเรื่องมาปฏิเสธเรื่องการทําบุญกับพ่อกับแม่เนี่ยพ่อแม่นี่เป็นเหมือนพระอรหันต์ทําบุญกับพ่อกับแม่เนียเท่ากับได้ทําบุญกับพระอรหันต์ได้บุญมากเพราะท่านมีคุณกับเรามากเหมือนกับพระอรหันต์ที่มีคุณกับเรามากทําไปเถิดแล้วส่วนท่านจะไปใช้อะไรที่ไหนนี่มันเรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับเราหน้าที่ของเราคือต้องทําบุญกับพ่อกับแม่ก่อนก่อนที่จะไปทําบุญกับพระที่อื่น ก็ทําอยู่เป็นประจำพล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยถึงใจครับอยากให้มันถึงใจก็ทําเยอะกว่านี้สิทาน้อยมันก็ไม่ถึงใจทําเยอะๆมันก็จะถึงใจฮคํำถามต่อไปจากคุณธนสิทธิ์ค่ะเมื่อเรานั่งสมาธิมาช่วงหนึ่งแล้วเราเกิดนึกถึงเรื่องที่เราทําไม่ดีมาแต่ก่อนเราควรทําอย่างไรครับ แสดงว่าเราเผลอสติแล้วเราไม่ได้นั่งสมาธิแล้วเราก็ต้องกลับมาที่พุทโธ ท, ที่อารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องกำกับใจถ้าเราใช้พุทโธก็ต้องกลับมาพุทโธถ้าใช้ลมก็กลับมาหาลมต่ออย่าปล่อยให้คิดไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือเป็นอ น, นาคตหรือแม้แต่เรื่องปัจจุบันก็ไม่คิดเวลาทาสมาธิคำถามต่อไปจากคุณย่าสีค่ะ กรับเรียนค่ะนั่งพอนาะแต่ไม่เข้าสมาธิบางทีนั่งชั่วโมงกว่านั่งบ่อยไม่เข้าสมาธิทาอย่างไรดีคะต้องฝึกสติให้มากๆเทตินี้ต้องฝึกตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยให้อยู่กับพุโทโธให้หรือหรือให้อยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกาย เพื่อจะได้ระ ง, งับความคิดต่างๆได้แล้วพอนั่งมันก็จะสงบได้มากขึ้นแต่ถ้าอยากจะให้สติแข็งๆมากๆนี่ต้องไปอยู่ที่หน้ากลัวที่ไหนที่หน้ากลัวนี่มันจะมีสติมากมันจะคอยระมัดระวังคอยอะไรอยู่คอยดูเหตุการณ์ต่างๆที่จะมาเกิดมากระทบกับร่างกายมันก็จะทำให้มีสติได้มาก ภาคปฏิบัติในส่วนใหญ่จึงชอบไปอยู่ตามป่าตามเขาตามป่าช้ากันเพราะเป็นที่มันเสริมสตินี่วพอมีสติกำลังมากๆนี้เวลาเข้าสมาธิจะเข้าได้ลึกเข้าได้นานถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยนี่สติมันมีไม่มากมันก็จะเข้าได้ไม่ลึกไม่ไม่นาน คำถามจากผู้ไม่ประสงค์น้ำคะ่ะการบริจากเสื้อผ้าสามารถกวดน้ําให้ผู้ตายได้ไหมคะได้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเสียสละไปแล้วเราเกิดความอิ่มใจสุกใจจากการเสียสละของเราเราก็สามารถอุทิศบุญได้ให้กับผู้ลงนับไปได้คําถามจากผู้ฝากถามคะ่ะผีไม่มีญาติมีจริงไหมครับคือผีมันมีอยู่สองชนิดค่ะ ผีจริงกับผีปลอมผีหลอกผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงผีจริงก็คือคนตายแล้วดวงวิญญาณก็เป็นผีดวงจิตใจก็ออกจากร่างไปไปเป็นผีกันทีพวกนี้เขาไม่ไปหลอกใครหลอกเขาถูกบุญกับบาปดึงไปรับผลบุญผลบาปของเขาส่วนผีหลอกก็คือผีไม่จริงคือผีเราคิดขึ้นมาเองพออยู่ที่ไหนเปลี่ยวๆคนเดียวเดี๋ยวผีมาละ เดี๋ยวได้ยินเสียงก็เป็นผีแล้วเห็นอะไรไหวหน่อยก็ผีมาแล้วอันนี้เรียกว่าผีหลอกไม่ใช่ผีจริงผีเกิดจากอุปท า, านความคิดปรุงแต่งของเราภาษานี้ยเขาเรียกว่าผีมโนคำถามต่อไปจากคุณจารุวรรณค่ะการไปปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นการรบกวนผู้ผู้อื่นหรือไม่คะ ไม่ไปรบกวนใครหรอกเราไปปฏิบัติธรรมเราก็ไปหาที่สงบอยู่ของเราคนเดียวที่วัดที่เขาปฏิบัติธรรมเขาไม่ให้ไปรบกวนใครเขาให้แยกกันอยู่ที่อยู่ของใครของมันปฏิบัติไปตามลาพังนอกจากเวลามาทํากิจวัตรร่วมกันมาสวดมนต์ถ้าบางวัดให้สวดมนต์ก็มาสวดมนต์ร่วมกันบางวัดให้มาฟังเทศก็มาฟังด้วยกัน น้องเวลามาทำรับประทานอาหารหรือทำอะไรก็มาทำร่วมกันก็ต่างคนก็ต่างทำไปไม่ไปรบกวนกันเสร็จแล้วก็แยกกันไปอยู่ตามลำพังการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ได้เป็ น, เ, ปนเพื่อไปรบกวนใครถ้าจะกวนก็กวนกิเลสเท่านั้นคอยไว้รบกวนกิเลสที่มันคอยมีอำนาจบาทใหญ่ต้องการที่จะตัดมันกำจัดมัน คำถามต่อไปจากคุณสมพงศ์ค่ะแปดข้าหรือสิบห้าข้าเรารักษาศีลแปดพอเช้าวันใหม่จะต้องลาศีนไหมครับลาก็อยู่ที่การกระทำของเรานะั่นแหละเนื่องอยู่ที่ความคิดของเราไม่ต้องไปลากับพระไม่ต้องไปลากับพระพุทธรูปก็ได้เพียงแต่บอกใจว่าตอนนี้พ้นเขต ร, รักษาศีลแปดแล้วเนะี่ยเขากลับมาสู่เขต ร, รักษาศีลห้าต่อไป ก, ก็เท่านั้นก็ถือว่าลาศีนแล้ว หมดแล้วเหรอมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็จะขอยุติการสนทนากันไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ